ท่านฟังที่คทรคะ่ะท่านกําลังอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัมสนีสนทนาดำเนินรายการโดยสัมสนีหน้าพงทาง FM106 วิทยุครอบครัวข่าวในสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นสัปดาห์แห่งการออกพรรษาแล้วนะคะแล้วก็จาก้าวเข้าสู่เทศกาลทอดกระถินวัดนาป่าพงของพระม้าชาคาวโรที่เพิ่งผ่านไปก็จะทอดกันที่16 ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะคะที่จะถึงนี้แหละ16ตุลาส่วนในวันปีแอมหาราชวันที่23ก็จะเป็นเวลาของวัดป่าดอนไยโซวัดที่พระภิกษุที่เราจะได้พบรูปต่อไปนะคะสางาัน้ายอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนั่นะ ค, ะคือพระภัยบูรณ์เราก็มาพบกับท่านเดี๋ยวนี้เลยนะคะนมัสงฆ์ ก, กันแล้วนะคะอาจารย์อลเาจ์คะ หลายวัดมากเลยนะคะที่ดิฉันได้พบในภาคกลางต้องเลื่อนการทอดกรถินออกไปอ๋อเนาะค่ะบางวัดดิฉันได้ไปคุยอย่างที่อำเภอวัณโรมจังหวัดชัยนาธเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอีกครั้งสําหรับผู้ที่สมทบการเอาของไปแจกนะคะได้ไปในวัฒการพระคุณเจ้าอยู่สองวัดก็เลื่อนทั้งสองวัดเลย mm hmm. แล้วเลื่อนออกไปวัดลสัปดาห์แต่ดิฉันดูดูเหตุการณ์แล้วเนี่ย ไม่ทราบว่าในกระถินนี้อาจจะต้องทอยกระถินทางเรือกันมั้งคะเนี่ยน้ําไม่ลดลาวาศอกค่ะได้ได้จำภาษาในเรือยังได้เลยอ๋อเหรอคะจำภาษาในเรือก็ได้แลัวจํำภาษาบนถนนแล้วค่ะดีฉันเห็นตอนนี้พระเนย้ายจากวัดมาอยู่บนถนนกันหมดนะคะก็ในรถทัวร์ก็ได้ยังได้คือหมายถึงว่ายานพาหนะหรืออะไรที่มันเคลื่อนที่ไปได้ในเกวียนสมัยก่อนยังยังมีเลยอ๋อคืจำภาษาเดินทาง ใช่เป็นพรรษาไปได้เลยใช่ใช่นะคะก็ <ใน S 2> อาศัยเขารเรียกว่าเสมาคือเขตที่เราจะอยู่เนี่ยเราก็กําหนดบริเวณในเกวียนนี่แหละเกวียนอันนี้น ะ, ะเป็นที่อยู่ของเราแค่นั้นเองงั้นท่านที่ต้องอบยบหนีนะ้ำมาอยู่บนถนน <c oughs> ก็กําหนดว่าอาตมาต้องอาศัยข้างถนนนี่แหละเป็นเสมาอืมใช่ก็ก<ม>แนวถนนกับแนวต้นไม้ได้ทั้งนั้นค่ะทีนี้มาถึงคําถามนี่เป็นประเด็นหนึ่งคือเกี่ยวกับเรื่องกระถิ่นก็คือว่าถ้าเลื่อนออกไปเนี่ยก็ได้ไม่เกินมันเป็นเดือนสิบสอง อก็ต้องมีช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นที่จะรับกระถินได้ค่ะยังไงก็ต้องทําให้สําเร็จถ้าตั้งใจขึ้นมาแล้วถึงแม้จะเป็นในเรือหรืออะไรก็ตามทีอย่างนั้นใช่ไหมคะเอ่อคือเป็ น, เ ป, นเป็นที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นะว่าในช่วงถ้าคือเรื่องกรถินเนี่ยเป็นเรื่องของคารวาสเขาที่เขาจะต้องการมาถวายผ้าซึ่งพระพรุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ว่าให้ช่วงหนึ่งเดือนนี้เท่านั้นที่รับผ้าได้ค่ะก็ขออนุญาตถามต่อเลยว่าสมมุติเกิด เป็นวัดที่อยู่ในสถานที่น้ําท่วมในกรีฑจริงๆเลยสุดท้ายเนี่ยทอดกันไม่ได้เลยกรถิได้ไหมคะมันเสียหายอะไรในทางพระวินัยอะไรอย่างนี้นะคะไม่ไม่ถึงทอดไม่ได้นี่หมายว่าไงคือจัดพิธีทอดกระถิไม่ได้เลยเพราะว่าน้ํามันท่วมมากเหลือเกินก็บนเรือก็ได้เนาะสมมุตินะคะสมมุติก็ไม่ได้ใช่ไหมเรือก็ไม่มีอสมมุติว่าทําอะไรไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรไหมไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ากระถิเนี่ยเป็นเรื่องของคารวาสที่เขาจะเอามาถวายพระ ถ้าไม่มีค า, ารวะคนไหนจะมาถวายพระได้ติดภารกิจหมดก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องรับก็ได้มีตั้งหลายวัดนะที่มีพระเกินสี่รูปห้ารูปขึ้นไปไม่รับกระถิ่นก็มีฉันฟังเหมือนประมาณอย่างนี้นะคะว่าที่ผ่านมาจะมีการไปสอบแสวงหาพ่าวัดไหนที่ยังไม่มีใครวิจอรกระถิน่นแล้วก็ทุกคนถือว่าถ้าวันนั้นไม่มีการ รับกรถินยังเสียหายหรือไงก็ไม่ซ่อบนะคะเขาจะคิดว่าเป็นบุญใหญ่มากถ้าไปทาบุญในลักษณะนั้นอ๋อเรื่องกรถินนี่ก็คือหมายความว่าพระเนี่ยถ้ารับกรถินแล้วเนี่ยจะได้อ น, นิสงฆ์ห้าอย่างนะอ น, นิสงฆ์นั้นก็แค่ว่าไปไหนไม่ต้องบอกลาไม่ถือผ้าสามผืนได้แล้วก็อะไรอีกเล็กๆ ล, กลกน้อยนซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะเพราะว่าอ น, นิสงฆ์นี้ยังไงก็ได้แค่สี่เดือนถึงคนที่อยู่จำพรรษาเนี่ยก็ยังได้ หนึ่งเดือนอยู่แล้วนะถ้ารับกระถินก็จะยืดต่อไปได้อีกสามเดือนอย่างนี้แค่นั้นเองโอคแลก็ไม่มีเรื่องอะไรใหญ่มากแล้วสำหรับพระก็อยู่กันได้ค่ะก็ะเท่ากับว่าดิฉันเชื่อว่าคนที่มีศรัทธาแล้วก็พยายามทําให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ถ้ามันมีปัญหาทางพายธรรมชาติอย่างนี้จนกระทั่งทําไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรจริตอย่าเศร้าหมองดิฉันพูดอย่างนั้นได้ไหมคะใชอ่อย่างการที่เราไปเอาของไปให้อย่างเนี้ยก็เรียกว่าเป็นการ ถวายทานนะถ้าถวายทานในบุคคลผู้มีศีลผู้ที่เป็นมีคุณธรรมเนี่ยก็จะได้บุญมากล่ะก็ไล่ไปตามลําดับลําดาอย่างนี้ค่ะวันนี้เอ๊จะพอถามคําถามท่านทันไหมคะเนี่ยคิดว่าถามยกถามด้ยดีกว่าก็ได้ค่ะก็เป็นคําถามของท่านผู้ฟังชื่ออิทธิพลนะคะท่านถามมาสี่คำถามแต่ที่นันขอถามสองคำถามแรกก่อนบอกว่าการฟัง การเป็นยายถามของท่านเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากจำไม่ไหวบางครั้งท้อคนที่บวชเนี่ยต้องจำให้ได้หมดทุกอย่างไหมนนถ้าเป็นอย่างนั้นคนหัวไม่ดีลำบากแย่หัวใจหลักง่ายๆที่จะพ้นทุกข์สั้นๆใช่การรู้ลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาหรือไม่ครับคือบนมากับถามค่ะถูกต้องเลยเอาแค่รู้อย่างเดียวนะรู้อะไรรู้ลมหายใจก็ได้รู้อย่างเดียวไม่ตนะ้องเอาอย่างอื่นเลย นะผู้ที่ชอบก็ไม่ได้ให้ว่าต้องจําหมดทุกอย่างนะขอจําได้แค่อย่างเดียวแล้วปฏิบัติได้นั่นแหละชื่อว่าเป็นพู้หูสูตรนะผู้หูสูตรนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องหัวโตๆแว่นหนาะๆนะเดินคอตกๆแล้วก็เป็นทางประหลาดๆไม่ใช่แต่ว่าเป็นคนที่จําได้สักบทหนึ่งนะัะแล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติอย่างเต็มที่ให้มันถึงนะแค่นั้นพอเลยแล้วก็อย่าไปท้อแท้ อย่าไปท้อแท้หมดกําลังใจโอ้โหอันนี้ก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่อยๆรู้ไปทีละอ่นเอาอันเดียวพอรู้อันนี้แล้วก็ค่อยๆรู้อันหนึ่งนับทีละหนึ่งอะค่ะกว่าจะมันเป็นร้อยได้เราไม่ใช่นับตู้มร้อยเลยใช่ไหมเราก็นับ <คะ S 1> ทีละหนึ่งอัตมาจะมาศึกษาอย่างนี้อัตมาก็นับทีละบรรทัดนับทีละประโยคนับทีละเรื่องนะมันหลายๆเรื่องนับบ่อยนับบ่อยเข้ามันก็เลยจาได้คะก็หมายถึงว่าถ้า หัวไม่ดีในลักษณะนะที่ยังรู้ได้แค่เรื่องเดียวก็สามารถที่จะนี่ไงไอ้ที่ความคิดที่ว่าเราหัวไม่ดีหรือว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คือความยึดมั่นถือมันในตัวตน<ฆ>นะอั ต, ตานุอัตโนนุปทานนะความ<ฆ>ยึดมั่นถือมันในตัวตนเราต้องเอาอุปทานตรงนี้ออกความยึดถือว่าฉันเป็นเกย์ฉันเป็นตูดฉันเป็นคนอย่างนี้ฉันเป็นคนอย่างนั้นฉันหัวไม่ดีฉันเรียนจบจากพวกนี้ พวกนี้คือความยึดถือในตัวตนทั้งหมดเป็นมานะพระเจ้าบอกให้ละเราต้องการละตรงนี้เราต้องการคลายความทุกข์ว่าเฉันเป็นคนโง่ไอ้โ ง, ง่เนี่ยก็สมมุติขึ้นมาไม่มีอะไรโง่หรอกใช่ไหมถ้าเราปล่อยวางความโง่ได้ความโง่ก็ไม่มีนะค่ะเพราะฉะ น, นั้นมานะอันนี้ที่ว่าคิดว่าตนหัวไม่ดีใครคิดอย่างนี้ปล่อยไปเลยใช่นะคะแต่คําตอบที่ว่าต้องรู้มากหรือเปล่าถึงจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าในธรรมรู้บทเดียวก็ได้ และ ใ, <ช>ให้รู้ลมหายใจเข้าออกทําให้ได้ก็แล้วกันอถูกต้องคําถามที่สองค่ะการที่เราอยากพ้นทุกข์อยากนั่งสมาธิอยากทําความดีอย่างเนี้ยความอยากในทางที่ดีจะถือเป็นกิเลสด้วยหรือไม่คะถูกต้องเป็นค่ะพูดใไปดีกว่าเป็นตันหาหมั้ยคาตอบคือเป็นตันหานะค่ะแต่กิเลสนี่มันคงจะดับไปถ้าถ้าจิตเป็นสมาธิกิเลสก็จะดับไปละถ้าจิตไม่เป็นสมาธิกิเลกก็จะยังมีอยู่กิเลสนี่มันเกิดเกิดดับ เราเห็นได้เดี๋ยวนี้ถ้าฟังทำอยู่จิตสบายใจอยู่ก็ไม่มีความร้อนในจิตไม่มีความหิวในจิตไม่มีความมืนในจิตใช่ไห<ค>ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีคนด่าแล้วเรายึดขึ้นมานันกกิเลสเกิดกิเลสตันหามันเหมือนหรือต่างกันคะมันต่างกาันตรงที่ว่าตันหาเนี่มันอยู่ตลอดตันหาเป็นยางเหนียวที่จะพาเราไปเกิดแต่ต่อให้เรานั่งอยู่สมาธิอย่างดีเลยเนี่ยนะจิตแน่วแน่นิ่งไม่คิดอะไรเลยนั่นยังมีตันหาอยู่ ค, <ะ S 1> คือความเป็นยึดเป็นตัวตนใช่ไหมอย่างสมมุติอยากจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ นั่นยังเป็นก็เรียกว่าตัณหาในความมีความเป็นเภาวะตัณหาเพราะนั้นก็คืออย่างที่พระนลได้เคยพูดเอาไว้อาศัยฉันทะละฉันทะอาศัยตัณหาละตัณหานะอันนี้เป็นคำของพระนลในแต่กิเลสเนี่ยมันจะดับไปตั้งแต่ตอนที่ได้สมาธิแล้วที่พระชาทธาตรัสเอาไว้บอกว่าจิตถ้าละอุปกิเลสละกิเลส ไม่มีอกุศลใดๆไม่มีการไม่มีอกุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นจิตที่อ่อนโยนปราศจากอุปกิเลสทั้งหลายแล้วเนี่ยก็เป็นจิตที่เป็นสมาธิเป็นจิตที่ใช้งานได้ตรงนี้นะคะนี่คือคำตอบที่คุณอิทธิพลถามมาทางเพียวธรรมะดอทคอมหนึ่งเมื่อถึงพุทธประวัติจากพระโอษได้แล้วมั้งคะจะ้เรื่องของพุทธประวัติเรายัางอยู่ในส่วนความพิเศษนะเรื่องที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าก็มีครั้งหนึ่ง มีเทวดาที่ชื่ออนนาถบินทิกะคือคืออนนาถบินทิกะเศรษฐีเนี่ยพอเสียชีวิตไปแล้วใช่ไหมก็เลยเกิดเป็นเป็นเทวดาแล้วก็ได้เข้ามาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็กล่าวสรรเสริญว่าออมหาวิหารเชตวันนี้ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเป็นที่ที่ทำให้เกิดคนมาฟังทำแล้วเกิดวิชาวิมุตอะไรต่างๆได้ใช่ไหมก็นี่คือพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟัง นะครับผู้เช่าบอกว่ามีเทวดาตนหนึ่งเข้ามาหาเราแล้วก็พูดคาถานี้ <Okay. S 1> ในลําดับนั้นเนี่ยแล้วก็สรรเสริญท่านพระสารีบุตรด้วยนะในลําดับนั้นเนี่ยท่านอาโนนท่านพระอานนก์ก็ก็เลยเดา ว, ว่านี่สงสัยต้องเป็นอนัตถบินทิกะเทวบุตรแน่เลยคือเป็นเทวดาที่ไปเกิดใหม่จากการเป็นอนาตถบินทิกะเศรษฐีนะ <Okay. S 1> แต่พู้เช่าเขาบอกว่าการเดาของเธอเนี่ยถูกต้องแล้ว นะจริงๆคือพระพุทธเจ้าเนี่ยทราบว่าพาระอนนท์เนี่ยไม่มียานอย่างรู้ตรงนี้ตอนนั้นยังไม่มีอ่นะ<ฮ>ก็ได้แต่เดาเอาก็เลยฟังบทสนทนาที่พระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังแล้วก็เลยเดา ว, ว่าเออต้องเป็นเทวดาอนาถมิตรกสิทธีแน่นอนอันนี้ทําให้เราเห็นแง่มุมนะคุณโยมตวิว่าเวลาพระพุทธเจ้าใช้คําพูดเนี่ยก็จะพูดถึงว่าเอาออนนท์เดาถูกแล้วอย่างงี้นะ<ฮ>หรือว่าจะเล่าเรื่องราวต่างๆที่มีเทวดามาเล่าให้ฟัง มาคุยให้ฟังอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน <c oughs> ส่วนเรื่องของพุทธประวัติอีกเรื่องหนึ่งนะก็มีบางครั้งเนี่ยก็มาคุยกับเทวดาที่เป็นอยู่ในชั้นต้นนะคือชั้นจตุมหาราชิกาคือหมายถึงว่ามียักษ์คนทนันกุมพันและก็หน้านะมาคุยกันว่าเรื่องราวต่างๆเป็นยังไงทำไมต้องรักษาศีลยักษ์มีชั้นไหนชั้นไหนบ้างก็ มาคุยให้พระเจ้าฟังเหมือนกันนี่คือเรื่องพุทธประวัติแปลว่ายักษ์คนทันหน้ามีจริงๆก็พุทธวจนะยืนยันอย่างนั้นมเนีเรื่องทีฉันจะถามต่อแล้วนะคะว่าวันนี้มีอยู่ไหมคะเพราะมีสิมีแต่ว่าในโลกนี้สัตว์อยู่ใต้ทะเลต้องเยอะแยะที่เรายังไม่รู้จักก็มีนะหรือว่าสิ่งไมโครบตัวเล็กๆอะไรที่มันอยู่ในท้องเราเนี่ยเราไม่รู้จักมันก็มีนะ อซึ่งมันก็มีอยู่ของมันนั่นแหล ะ, ะแล้วนี่พูดถึงสัตว์เดรัจฉานที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็มีไม่ได้ด้วยตาเปล่าก็มีนะอืมค่เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ได้ทรงพบแล้วก็ตรัสเล่าเอาไวใ้ในครั้งพุทธกาลหลังจากตรัสรู้แล้วเทวดาก็มาคุยด้วยในะลักษณะต่างๆเทวดาชั้นสี่ะฮะจ่าตุเนี่ยค่ะจะต ค, ะคือยักษ์คนทันหน้าและอะไรอีกนะคะและกุมพันกุมพัน เล้านาทีคะคะขออนุญาตไปที่อริยสัจสี่นะคะอริยสัจสนี้ก็พูดถึงความเป็นพระอาหารหันตะ์เราพูดถึงอริยาสาวกทั่วๆไปมาหมดแล้วนะก็มาพูดถึงพระอาหารหันต์กันบ้างแตนะว่าพระอาหารหันต์เนี่ยคุณสมบัติของพระอาหารหันต์อันหนึ่งเนี่ยนะก็คือการที่รู้จักขันห้าชัดแจ้งแล้วก็หลุดพ้นได้นะรู้จักขันห้าแล้วก็ปล่อยวางขันห้าได้อย่างโสดาบันเนี่ยแค่รู้เฉยๆ ยังยังปล่อยวางไม่ได้แต่พระอรหันนี่รู้แล้วแล้วก็ปล่อยวางได้บุคคลที่เป็นอย่างนี้เรียกว่าเป็นอาเซค่ะนะคือไม่ต้องศึกษาอีกแล้วไม่มีกิจอันใดที่จะต้องทําเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกแล้วก็เป็นผู้ที่หมดความเร่าร้อนหมดความสุขนะเป็นลักษณะที่ไม่ต้องเอาอะไรเพื่อที่จะเอาอะไรอีกต้นค่ะ ท่านบอกหมดความเร่าร้อนหมดความสุขให้คำว่าหมดความสุขนี่จริงจริงรึเปล่าคะก็คือหมดความสุขจริงๆหมดความเร่าร้อนด้วยอืคือทําไมถึงหมดความสุขอย่างนั้นคือความสุขในลักษณะที่มันจะต้องจางไปได้คือเมื่อไหร่เรามีความสุขนะคุณโยมติ๋วเรามีความสุขนี้เราดีใช่ไหมแต่พอเมื่อไหร่ความสุขนี้มันหายไปนะโอ้ตายแล้วเป็นทุกทันทีค่ะือท่านกําลังบอกว่าความสุขที่พูดถึงนี่คือความทุกข์นั่นแหละใช่ใช่ ความสุขชนิดที่มันหายไปได้เนี่ยไม่มีแล้วเพราะดิฉันเข้าใจว่าถ้าคนฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะไอ้ความสุขของดีทําไมต้องหมดค่ะเป็นเป็นพระอาเศขา่าเนี่ยนะคะแต่ขออนุญาตท่านต่อเลยแล้วก็ไม่มีความยุ่งเกี่ยวกั บ, กบเรื่องอาหารนะเป็นผู้ที่ไม่เอาอะไรอีกนะคือไม่ต้องการอะไรอีกเพื่อที่จะมาเอาเป็นอะไรอไรอย่างบางคลบอกว่าชาติหน้าขอให้เกิดเป็นเศรษฐีไอ้ความอยากตรงนั้นก็ไม่มี นะที่จะมาเอาเพื่อเป็นอะไรอีกนะแล้วก็พรเจ้บาบอกว่ารูปกายนี้ก็ชื่อว่าสุดกันเพียงเท่านี้นะแล้วก็คิดว่าในตอนต่อไปก็จะมาพูดถึงเครื่องอยู่อย่างพระอรียเจ้าว่ามีอะไรบ้างครนะคะอันนี้เราเลยได้รู้ว่าถ้าจะเป็นพระอรหันเนี่ยจะปรากฏอะไรขึ้นในความเป็นพระอรหันนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ใจชื่นอย่างว่าทารักษาศีลห้ามั่ น, นยึดมั่นในพระรัตนาตรายดีด เราก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือรู้ขันหน้าชัดๆชพัฒนาต่อไปอาจวางได้แบบพระอาหารหันต์ถูกต้องนะคะวันนี้ก็นมาส ก, การขอบพระคุณท่านเพรืุ่่มากเลยค่ะอาจรย์พานท่านฟังค้าแล้นั้นก็คือพระพรื่อุ่อภิปุนโนนะคะจากวัดป่าดอนไยโซจังหวัดอุดรธานีพระภิกษุอีกรูปหนึ่งในรายการสัมสีสนทนาที่ดําเนินรายการโดยสัมสมีนักพงนะคะช่วงนี้เราก็ส่งกําลังใจไปให้ผู้ที่ประสบภัยน้ําท่วม และส่วนผู้ที่วิตกกังวลก็อย่าวิตกกังวลจนเกินไปนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแป ล, ง, ปลงอย่างนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสเตือนนะคะว่าใครเหล่าเนี้ถ้าเราถึงแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสน้อยไม่สะดวกหรือว่าหมดโอกาสในการที่จะปฏิบททัติธรรมดังนั้นก็อย่ารอช้าให้เร่งกันซะที่จะเข้าสู่หนทางค่ะวันนี้ ท่านที่จะถามคำถามมาก็ที่022690006นะคะเป็นเบอร์เดียวกับที่ขอหนังสือพู้ทวัจนะที่ท่าจันทร์คึกฤทธิสดทิพยลวัฒนาปา พ, พง์ซึ่งกำลังจะมีการทอดกระถินในวันที่16วันอาทิตย์นี้ตอนเช้ามอบให้มา3เล่นต่อวันกับถ้าจะถามไปเช่นเดียวกับที่ท่านอิทธิพลถามมาเมื่อตอนต้นของรายการทาง p e e w a t a m a c o m 1 0 6อันนั้นจะตรงไปที่พระจันร์ไพบรูเลยนะคะ เพียวธรรมะคอมหนึ่งศูนสำหรับวันนี้เราลากันไปแต่เพียงเท่า น, นี้ก่อนคะ่ะพุทธวสวัสดีคะ่ะ